สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่ห้าเรื่องครอบครัวกับโลกกว้างเพรนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่ 8, แปดเราจะอ่านจนถึงข้อที่สิบเก้านะครับโปรดฟังพระจ้าของพระเจ้าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังคําเตือนของพ่อเจ้าและอย่าทิ้งคําสั่งสอนของแม่เจ้า พอทั้งสองนั้นเป็นมงคนงามสวมศีรระของเจ้าเป็นชี้ห้อยคอเจ้ามุช้ยของเราเอ๋ยถ้าคนบาปร่อชวนเจ้าอย่าได้ยอมตามถ้าเขาว่ามากับพวกเราเถิดให้เราหมอบคอยเอาเลือดคนให้เราซุ่มดักคนไร้ผิดเล่นเถิดให้เรากลืนเขาทั้งเป็นอย่างแดนผู้ตายและกลืนเขาทั้งตัวอย่างคนเหล่านั้นที่ลงไปสูปากแดนเราจะพบของประเสริฐทุกอย่างเราจะบรรจุเรือนของเราให้เต็มด้วยของที่ริบได้ จงเข้าส่วนกับพวกเราเราทุกคนจะมีเงินถุงเดียวกันบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าเดินในทางนั้นกับเขาจงยับยั้งเท้าของเจ้าจากวิถีของเขาเพราะว่าเท้าของเขาวิ่งไปหาความชั่วร้ายและเขาเร่งไปทาให้โลหิตตกเพราะที่จะขึงไข่ไว้ให้นกเห็นก็ไร้ผลแต่คนเหล่านี้มอบคอยโลหิตของตอนเองเขาซุ่มดักชีวิตของเขาเองทางของบรรดาผู้ที่หากาไร ด้วยความขาดทุนหดรายก็เป็นอย่างนี้แหละมันย่อมฆ่าเอาชีวิตของเจ้าของนันเองพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือครอบครัวกับโลกกว้างข้อที่แปดและข้อที่เก้านั้นพูดถึงเรื่องของครอบครัวพูดถึงเรื่องของความสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องเลี้ยงดูแลลูกของตัวเองอย่างดีพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญที่นี้ก็คือว่าชนชาติอิสราเอลนั้นเขามีพระกัมภีร์ครับ พระคัมภีนั้นเป็นตำราเรียนพื้นฐานในบ้านมันเป็นตำราเรียนในระบบการศึกษาของประเทศอิสราเอลตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลมาแล้วนะครับพระคัมภีร์ในบ้านนะครับสําคัญมากครับเพราะพระคำพีในบ้านนั้นสามารถที่จะส่งผลต่อคําสั่งสอนคําเตือนสติของคุณพ่อคุ ณ, คณแม่ได้ พ่อแม่สมัยใหม่นีครับเสียเวลาและเสียเงินเยอะแยะมากมายนะครับยอมสละเงินที่หามาได้ด้วยความยากเย็นเพื่อที่จะช่วยลูกๆไปเรียนพิเศษไปเรียนดนตรีไปเรียนกีฬาไปเข้ากิจกรรมต่างๆของสังคมแต่พี่น้องครับผมหวังใจว่าพวกเราจะต้องห่วงลูกเราในเรื่องของจิตวิญญาณครับและการเติบโตการรู้จักและการเชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้า เพราะฉะนั้นให้พระกัมภีร์นั้นเป็นตำราเรียนในบ้านเถอะครับให้เป็นตำราเรียนที่มีอิทธิพลทรงอิทธิพลที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้สร้างชีวิตของลูกหลานของพระเยซูลูกหลานของเราให้เป็นลูกของพระเยซูพี่น้องครับพระพีพ์เตือนว่าบุตรชายของเราเอ๋ยคําว่าบุตรชายของเราเอ๋ยนั้นมีความหมายเรียนถึรวมถึงบุตรบุตรหญิงด้วยครับ บุตรชายหญิงของโซโลมอนเอ๋ยจงฟังคำเตือนของคุณพ่อคุณแม่อย่าทิ้งคำสอนของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าทั้งสองนั้นจะเป็นมงคลงามสวมศรีรษะของเจ้าเป็นจี้ห้อยคอเจ้าการสอนในครอบครัวนะครับสำคัญมากและพระธรรมสุภาสิตธ์นั้นเตือนลูกลู ก, ลกทุกคนให้ยกคำสอนยกคาเตือนของคุณพ่อคุณแม่ไว้ อยู่สูงครับมงคลงามสวมศีรษะก็คือให้เทิดทูนอยู่เหนือหัวเหนือเกล้าให้เทิดทูนไว้เพราะว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสง่าราศีเป็นความสง่างามของชีวิตของเด็ ก, ดกและลูกที่จะเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่เป็นจี้ห้อยคอนั้นมีความหมายว่าเป็นของที่ติดตัวไว้ตลอดนะครับเป็นของมีค่าสูงที่ติดตัวไว้ตลอด เพื่อที่จะเตือนความทรงจําครับคําว่าเป็นจี้ห้อยคอนั้นมีสองความหมายก็คือหนึ่งเป็นการเตือนความทรงจำํำเหมือนกับที่เราห้อยไม้กางเขนนะครับและประการที่สองก็คือเป็นความสวยงามเป็นเกียรติยศและเป็นสง่าราศีทั้งสองตอนนี้เป็นมงคลงามสวมศีรษะและเป็นจี้ห้อยคอก็มีความหมายร่วมกันครับว่าเป็นเรื่องของการมีสง่าราศี ชีวิตของเราจะสวยงามได้เพราะคําสั่งสอนครับคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปครับโลกกว้างมีใครบ้างในข้อสิบครับบุตรชายของเราเอ๋ยพี่น้องครับเวลาที่เราอ่านว่าบุตรชายนะครับขอให้ขยายความว่าบุตรชายหญิงด้วยนะครับพรารวมกันถึงเด็กผู้หญิงด้วยและอนุชนผู้หญิงเช่นเดียวกันครับในข้อสิบนั้นบอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าคนบาปร่ำชวนเจ้าอย่าได้ยอมตาม โลกนี้นะครับเต็มไปด้วยความบาปและคนที่ทำบาปนะความบาปนั้นถูกสุพาสิทธ์นะครับใช้คำว่าล่อชวนนะคนบาปล่อชวนเราแสดงว่ามันโปรแอคทีฟเข้ามาหาเรานะครับความบาปและคนบาปนั้นโปรแอคทีฟเข้ามาหาเราแลยมันอยู่ตามท้องถนนครับอยู่ในโลกครับ เขาบอกว่ามากับพวกเราเถิดให้เราเหมอบคอยเอาเลือดคนให้เราซุ่มดักคนไร้ผิดเล่นเถิดการทําความผิดความบาปนั้นเหมือนกับเป็นการเล่นครับพ่อพีภาษาไทยนั้นใช้ศัพท์นี้ดีมากก็คือเหมือนกับไม่มีอะไรแต่เป็นความสนุกสนานครับเป็นความสนุกสนานที่เห็นคนนะครับเลือดตกยางออกเป็นความสนุกสนานที่เห็นคนที่ไม่มีความผิดแต่ก็ ได้รับผลจากความผิดของตัวเองเป็นความฉุดขืข น, นเป็นความเพลิดเพลินนะครับที่ได้กลืนคนอื่น <c oughs> กลืนเขาอย่างแดนผู้ตายและกลืนคนอื่นเขาทำหน้าที่เป็นทูตของแดนผู้ตายครับทำหน้าที่ที่จะเหมือนกับมารซาตานที่มาทำลายชีวิตพี่น้องครับสามข้อนี้ครับบทที่หนึ่งข้อที่สิบสิบเอดสิบสอง พูดถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในโลกก็คือความบาปและคนบาปนั้นจะโปรแอคทีฟเข้ามาหาลูกของพระเจ้าครับและทำบาปนะครับเหมือนกับเป็นการ ส, สนุกสนานและท้ายที่สุดนั้นก็จะมุ่งหมายเอาชีวิตและไม่ก่อนนั้นครับเขาใช้ของล่อในข้อที่สิบสามสิบสี่ของล่อนั้นก็คือการไปป้นสะดมหรือการไปขโมย นะครับของประเสริฐทุกอย่างนะครับแล้วก็จะเอามาอยู่ในบ้านของเขาก็คือบรรจุเรือนของเขาให้เต็มด้วยของที่ริบได้และทุกคนก็จะมีเงินมากขึ้นและจะรวมเงินกันไว้เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะผูกพันกลายเป็นแก๊งครับพี่น้องครับตรงนี้ทาให้เราเห็นว่าในโลกนี้นะครับทาบาปคนเดียวไม่ได้ครับนะทาบาปคนเดียวไม่ได้จะต้องรวมกันเป็นแก๊ง มากับพวกเราเถิดเราจะมอบคอยเอาเลือดคนเราจะซุ่มดักคนไร้ผิดเล่นเราจะบรรจุของประเสริฐที่ริบได้มาเป็นของเราเราจะมีเงินถุงเดียวกันนะครับนี่คือการทำบาปร่วมกันของชาวโลกหรือคนบาปที่อยู่ในโลกทั้งหลายนะครับตั้งแต่ข้อ15ห้าไปนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าบุตรชายหญิงของพระเจ้านั้น เราจะต้องไม่เดินในทางนั้นกับพวกเขาเราต้องยับยั้งเท้าของเราจากวิถีของคนเหล่านั้นนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราเองนั้นจะต้องไม่อยู่กับพวกเขานะครับและก็จะไม่เดินไปกับพวกเขาเพราะว่าเท้าของเขานั้นวิ่งไปหาความชั่วร้ายและเขารีบเร่งไปทําให้โลหิตตกพี่น้องครับสิ่งที่สําคัญในข้อที่สิบเจ็ดได้พูดต่อไปว่า เพราะที่จะขึงขายไว้ให้นกเห็นก็ไร้ผลพวกเขาดักพวกเราเหมือนกับดักนกนะครับและไข่นั้นก็มองไม่เห็นครับเพราะมองเห็นนกมองเห็นไข่นกก็ไม่บินเข้าหาไขา่ครับเพราะเรื่องอะไรมันจะรีบบินเข้าไปในกับดักส่วนใหญ่แล้วบุตรชายหญิงของพระเจ้าที่พลาดพลั้งไปในทางนี้เพราะเนื่นองจากว่าเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นข่ายหรือตาไขา่ที่ขึงไว้ครับเพราะฉะนั้นชุภาสิต มีหน้าที่ที่จะทำให้บุตรชายหญิงนั้นได้เห็นและการที่บุตรชายหญิงได้เห็นนั้นนอกจากจะเห็นทางแห่งความชั่วร้ายแล้วจะต้องยึดคำสอนของพ่อแม่คำตักเตือนของพ่อแม่ไว้นะครับไว้เป็นหลักเลยในชีวิตให้เรารู้จักครับว่าคนเหล่านั้นในที่สุดแล้วเนี่ยครับในข้อสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่ได้พูดถึงว่าอนาคตของเขาเนี่ยเขากำลังทำลายชีวิตของเขาเองครับ เขาทำลายชีวิตของเขาด้วยการหมอบคอยโลหิตของคนอื่นแต่เขากลับกลายเป็นหมอบคอยโลหิตของตัวเองและชุ่มดักชีวิตของตัวเองและเพิ่มดีในข้อที่สิบเก้านั้นก็สรุปว่าบรรดาคนที่หากําไรด้วยความพารุณโหดร้ายก็เป็นอย่างนี้เพราะมันย่อมฆ่าเอาชีวิตของเจ้าของทั่นเองนะครับนี่คือวิถีทางของคนบาปครับวิถีทางของโลกที่เต็มไปด้วยความบาปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกให้ถูกเราจะต้องสอนลูกหลานของเราให้เช็ปเปรด หมายความว่าแยกตัวออกจากโลกครับเราอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกเราอยู่ในโลกเราต้องรู้ทันโลกและในวีเดียวกันครับเราอยู่ในโลกเราต้องบริสุทธิ์เราต้องครองชีวิครองเรือนครองตนเพื่อที่จะเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างจุนเจือรักษาโลกทำให้คนบาปเหล่านั้นได้กลับใจเสียใหม่อามน